จำไม่ไ<จ>ด <besar> <im Compl ac hr ane> ้จำไม่ได้บอกให้นั่งเจยๆดูอาจารย์จำได้อะไรอนไรวันอนไลน์ไรเช่นเช่ไสมกวก่อมากับคุณแม่กับคุณแฟนเหรอคะแฟนจะเป็นชาวออนเตไเ้แล้วชาวฟินแลนด์ฟินแลนด์ไปสวรรค์หมดแล้วค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็ตามไปใกล้นะใกล้ๆเราทุกคนต้องไปทั้งนั้น นั่นอย่าไปตื่นเต้นตกใจ เ, เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่ชั่วคราวที่นี่เป็นที่เรามาแวะเติมน้ํามันโลกมนุษย์นี้เป็นเหมือนโลกที่เป็นเหมือนสถานีบริการ เ, เราจิตใจเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่เดินทางไปไหนมาไหน เ, เดี๋ยวเดินไปสักระยะมันก็น้ํามันหมดก็ต้องมาเติมน้ํามัน เ, เติมบุญ บุญนี้เป็นน้ำมันที่จะพาให้ใจของเราไปที่ดีไปที่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปคือไปที่ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ที่เราจะไปถึงที่นั่นได้ก็ต้องมีแผนที่มีคนนำพานาทางเพราะเป็นที่ที่เราไม่เคยไปพระพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนแผนที่ เป็นเหมือนคนบอกทางเวลาเราไปเติมน้ำมันเราก็ที่ปั๊มน้ำ ม, นมันมักจะมีแผนที่ให้เราดูกันว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรพอเรารู้ทางเราเติมน้ำมันมันก็จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่ที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์คือพระนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีแต่ความทุกข์ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไปไม่ถึงพระนิพพานเราจะไปได้ก็แค่สวรรค์สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์นี้ก็ เป็นที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เพียงแต่ว่ามันไม่ถาวรมันชั่วคราวไม่เหมือนกับพระนิพพานที่มีความสุขตลอดไม่มีความทุกข์แล้วไม่ต้องกลับมาแวะเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆเรยพราะว่าเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราเดินทางพอเราถึงจุดหมายปลายทางเราก็ไม่ต้องเติมน้ํามันแล้ว เพราะเราไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ถ้าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเติมน้ํามันะเพราะว่าน้ํามันมันหมดเราทําบุญชาตินี้เราทําบุญกันพอเราตายไปเราก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆแต่จะไปไม่ถึงพระนิพพานถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้เช่นถ้าเรา ทำบุญทำทานรักษาศีลเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จะไปสวรรค์ไม่ได้เราจะต้องไปติดคุกติดตารางแทนคุกตารางของใจก็คืออบายสีก็คือต้องไปเป็นเดลฉ า, านไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรก อาัยนี้เป็นที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าจะไม่มีความสุขเลยก็ว่าได้มีก็น้อยมากอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาก็พอจะมีความสุขบ้างแต่เขามีความทุกข์มากกว่าเพราะเขาต้องหวาดระแวงหวาดกลัวกับภัยรอบด้านเขาไม่มีที่อยู่ปลอดภัยเหมือนมนุษย์เรามนุษย์นี่เป็นที่ที่มีมีความสุขและความทุกข เพราะเท่าๆกันแต่ถ้าอบายนี้จะมีทุกมากกว่าสุขแต่ถ้าสวรรค์นี้จะมีสุขมากกว่าทุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอบายหรือเป็นสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรมนี่ยังเป็นสวรรค์ชั่วคราวคือเดี๋ยวน้ำมันหมดบุญที่เราทำหมดมันก็จะเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเตบุญใหม่เติมน้ำมันใหม่ภพของมนุษย์นี้เป็นพบที่เราแวะเติมน้ำมันเวลาหรือว่าเวลาเราที่พ้นโทษออกมาจากคุกจากตารางเราก็มาเป็นมนุษย์เวลาเราไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปตกนรกเนี่ยพอพ้นโทษพอหมดบาปหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะ ไปแบบนี้ขึ้นๆลงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาบอกทางไปพันนิพพานซึ่งนานๆจะมีมาสักครั้งหนึ่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบทางสู่พระนิพพานแล้วก็เอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามได้ เราก็จะไปถึงพระนิพพานได้พอเราไปถึงพระนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเติมน้ำมันอีกต่อไปเพราะพระนิพพานนี้เป็นบ้านของเราเป็นที่อยู่อาศัยของเราเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ไม่มีทุกข์ทั้งหลายไม่มีภัยทั้งหลายมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด แะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากการไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือความสุขที่เราได้จากการมาเป็นมนุษย์มนุษย์เราก็พอมีความสุขความสุขของมนุษย์คืออะไรก็ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราทุกคนอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปสะะเสียงกลิ่นรสกันทั้งนั้นเพราะเวลาได้แล้วมันมีความสุขใช่ไหม เวลาได้เงินทางมาดีใจไห้หรือเสียใจอยู่ดีๆคนให้เงินมานี่เสียใจเปล่าสาทุกันช่วงยกบูเทิ่ยงหัวเลยเพราะมันสุกนี่ก็ลาบเวลาเขาตั้งแต่งตั้งให้เราเป็นใหญ่เป็นโตนี่เป็นไงมีความสุขไ้ยได้เป็นนายกได้เป็นนัทมนตีเราแต่งตั้งดีใจโอ้มีความสุข เวลาใครยกย่องสรรเสริญมอบรางวัลให้มีความสุขเวลาไปเที่ยวไปดูไปกินไปฟังไปดื่มอะไรนี้มีความสุขไแต่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปไปเที่ยวแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวพอกลับมาบ้านก็หายไปหมด ทำให้เราเหงาว้าเหวต้องออกไปเที่ยวใหม่ถึงจะหายเหงาหายว้าเหวไปเที่ยวกี่ครั้งกลับมามันก็เหงาเหมือนเดิมนี่แหละคือความสุขที่เรากำลังหากันเพราะเราไม่รู้ความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ความสุขของพระนิพพานนี้เราไม่รู้จักจะมารู้จักก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน ให้เรามาหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่ปล่อยให้เราเหงาว้าเวเศร้าซ้อยซึมเศร้าคือความสุขภายในใจเราเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสงบเียถ้าเรยังไม่ได้เป็นความสุขแบบถาบวรเราก็เรียกว่าสมาธิถ้าเป็นความสุขที่ถาวรเราก็เรียกว่า นิพพานตอนต้นเราก็ต้องเอาแบบชั่วคราวก่อนคือสุขแบบสมาธิก่อนแล้วเราได้พอเราได้ความสุขแบบสมาธิแล้วเราก็มารักษาความสุขแบบสมาธินี้ให้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไปด้วยปัญญาความสุขแบบสมาธินี้เราได้มาด้วยการใช้สติ ใชสติพุทโธพุทโธเนี่ยหยุดความคิดต่างๆถ้าเราหยุดความคิดได้จิตเราก็จะสงบสงบแล้วก็เกิดความสุขในใจขึ้นมาเรียกว่าสมาธิเป็นความสุขที่สุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้เหมือนไปเถรไนิผ่านแต่อยู่ไม่ได้นานเพราะยังไม่มีเงินจ่าย เต็มร้อยมีเพียงแต่เหมือ น, นเงินดาวไปจองคอนโดไว้เหมือนเราไปดูบ้านตัวอย่างก่อนจะซื้อบ้านซื้อคอนโดก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วเราก็ดาวใส่ผ่อนเงินดาวไปให้เขาก็เหมือนกับว่าเราได้บ้านบ้านชั่วคราวแล้วได้ไปอยู่เดี๋ยวเดียวไปอยู่เข้าไปดูไปชม แล้วทีนี้ก็เราก็จะขยันหาเงินกันหาเงินแล้วมาจ่ายให้เขาพอเขาสร้างเสร็จเรามีเงินเราก็จ่ายเขาก็โอนบ้านให้กับเราเป็นบ้านของเราอย่างเทาวนพท่านิพพานก็เหมือนกันความสงบนี้มีสองระดับระดับชั่วคราวกับระดับเทาวนระดับชั่วคราวเราเรียกว่าสมาธิเวลานั่งหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธ แล้วดูลมหายใจเขาออกไม่เคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็นิ่งพอนิ่งแล้วใจก็เกิดความสุขขึ้นมาใจที่นิ่งเราเรียกว่าสมาธิถ้านิ่งเดี๋ยวเดียวเรียกว่าคานิกะนิ่งแบบงูแลบลิ้นใหม่ๆมันจะแบบงูแลบลินพอพุอโทโธพุทโธก็ไปว่ามันวุบลงไปตกหลุมตกบ่อลงไปปุ๊บแล้วมันก็เด้งออกมา ใหม่ๆ ม, มันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะกาลังเองมันมีไม่มากตัวที่ดันยังมีกำลังมากอยู่ตัวที่ดันให้เราออกมาคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาความอยากหารูปเสียงก ล, ลิ่นรสความอยากหาราบยศสรรเสริมมันคอยดันใจให้เราไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราใช้พุทโธเราดึงใจกลับเข้าไป มันชักกระเยอะกับความอยากความอยากมันจะดึงใจเราออกพุทธโธจะดึงใจเราเข้าไปถ้าพุทธโธมีกำลังมากกว่ามันก็จะวุ๊บเข้าไปแต่ถ้ามีกาลังแค่แกนิดเดียวพอวุ้บเข้าไปปั๊บก็หมดกำลังกิเลสที่มันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดันออกมาใหม่เั้นเราจะเข้าไปในสมาธิได้ก็ใหม่ๆก็ไม่นานปั๊บเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิ แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆพุทโธไปทั้งวันสู้กับกิเลสก่อนที่เราจะมานั่งนี้เราต้องเราต้องสู้กับมันละไม่ใช่มาสู้ตอนที่เรานั่งอย่างเดียวถ้ามาสู้ตอนที่นั่งอย่างเดียวเราไม่มีกำลังลเหมือนนักมวยถ้าไม่ช้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมชกไว้ก่อนถึงเวลาก็ขึ้นไปชกบนเวทีแล้วก็โดนเข้าน็อกไงพวกนักมวยนี้เาเาไม่ ก็ต้องซ้อมก่อนที่เขาขึ้นไปชกไม่ใช่ไปซ้อมบนเวทีพวกที่มานั่งสมาธิมาฟุโทโธตอนที่นั่งสมาธินี่เป็นเหมือนพวกนั่งมวยที่ไม่ซ้อมก่อนถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยถ้าอย่างนี้ก็นั่งไม่ได้นั่งไม่สงบไม่นั่งไม่เคยสงบเพราะว่าสู้เขาไม่ได้สู้กับสู้ความอยากไม่ได้ความอยากมันจะดันให้เราคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงลาบยรศรละเสร คิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายะกยไปเที่ยวกับคนนั้นคอยอยู่กับแฟนคนนี้คอ็มีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มนจะนั่งคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่เช่นั้นก็คิดกับเรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ อ, อยากจะกําจัดมันให้หายพลนั่งคิดอยู่นั่นยิ่งคิดก็ยิ่งยิ่งฟุ้งยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ นี่แสดงว่ามันไม่มีสติปล่อยให้เขาชกอย่างเดียวถ้าเรเวลานั่งสมาณ์นั่งสมาธิแล้ ว, วปล่อยให้ความคิดนี้คิดก็แสดงว่าเราปล่อยให้คู่ต่อสู้เราชกเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันคิดเนี่ยเนี่ยเราแสดงว่าเรากําลังต่อยมันตลอดเวลาถ้าเราต่อยมันตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ล้มลงไปเดี๋ยวกําลังการก็มานับนับหนึ่งสองสาม นับได้8มันก็ลุกขึ้นมาใหม่เราเ อ, อาพอเข้าไปอยู่ในสมาธิสักพักเดี๋ยวพอกรรมการนับ8มันก็เติมมันก็ฟื้นขึ้นมามันก็ดันเราให้ออกจากสมาธิเรานั่งสมาธิกันจริงนั่งได้ไม่ไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนั่งได้อย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี่แลเดี๋ยวก็หมดกำลังหมดกำลังสติ พุทโธพุทโธเราหมดก็ต้องออกมาออกมาถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่เราก็ต้องมาพุทโธใหม่มาซ้อมใหม่อย่าไปปล่อยให้มันคิดถ้าปล่อยออกจากสมาธิแล้วปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวคราวหน้าจะเข้าสมาธิเข้าไม่ได้คนบางคนเคยนั่งแล้วสงบแล้วคิดว่าคราวหน้านั่งแล้วจะสงบเอกแต่ไม่ไม่ซ้อมไม่ก่อน พอถึงเวลานั่งแทนที่จะพุโทโธไว้นั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะสงบทีข้าวที่แล้วสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ทาไมคราวนี้ไม่เห็นมันสงบเลยเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมพุโทโธไว้ซ้อมคิดปล่อยให้คิดเลื่อยเปื่อยอพอเวลานั่งมันก็คิดเลื่อยเปื่อยไปเลยดังนั้นพวกที่นั่งสมาธิแล้วไม่สงบนี่ก็แสดงว่าไม่ซ้อมก่อนถ้าเป็นนักมวยก็ขึ้นไปก็ถูกเขานอ็อก ไม่ได้ผลนั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลนั่งแล้วจิตไม่สงบถ้าอยากให้จิตสงบนี้ต้องซ้อมพุโทโธก่อนซ้อมสติก่อนฝึกสติก่อนฝึกทั้งวันเลยฝึกตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยเพราะสตินี้เราฝึกได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเพียงแต่ท่องพุโทโธไปภายในใจเท่านั้นเองเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิด ถ้าเราต้องใช้ความคิดกับการทํางานเราก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวเวลาทํางานนี้มันต้องใช้ความคิดเช่นเวลาทําบัญชีเวลาทําตารางทําอะไรต่างๆต้องใช้ความคิดอาจจะเอาคนนี้ไปทําอะไรจะเอาคนนั้นมาทําอะไรตรงนี้จะทําอย่างนั้นทําอย่างไรมันต้องใช้ความคิดเวลาทํางานก็ถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไว้ก่อน แต่พอไม่ต้องคิดเรื่องงานแต่ชอบไปคิดเรื่องแฟนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆนี้ก็อย่าให้มันคิดห้พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราฝึกดพุดโทโธไว้เวลานั่งมันจะสงบได้จะสงบได้นี้ต้องไปอยู่ต้องไม่ทำงานถึงจะดีเพราะถ้าทำงานแล้วไม่มีวันที่จะนั่งให้สงบได้เพราะามันต้องใช้ความคิดกับการทำงาน ไปทำงานแปดชั่วโมงนี้ต้องคิดทั้งทั้งวันเลยใช่ไหมคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอกลับมาบ้านมันไม่มีแรงที่จะพุโทโธนั่งไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอนมากกว่าฉะนั้นผู้ที่จะนั่งสมาธิให้สงบได้นี้ต้องอไม่ทำงานต้องไม่มีงานทำต้องตกงานพวกที่ตกงานเนี่ยเป็นพวกมีบุญรู้เยจะได้มีเวลามา หาความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยทำงานไม่กี่หมื่นซื้อเอาเวลามันนั่งสมาธิไม่ได้เวลาจิตสงบนี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันมีราคามากกว่าเงินเดือนเป็นหมื่นเพราะว่าแม้แต่มาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ซื้อซื้อไม่ได้ความสุขแบบนี้มีเงินกี่ร้อยล้านพันล้านก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้มีสติเท่านั้นที่จะซื้อความสุข แบบนี้ได้แล้วการจะมีสติดได้ก็ต้องไม่มีงานทำเพราะทำงานแล้วมันต้องคิดคิดแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะทำให้มันพุทธโธได้ทำให้มันสงบได้แต่คนที่ก็อยากจะได้ความสงบเขาถึงไปบวชกันบวชชั่วคราวหรือบวชถาวรพวกใหม่ๆก็เอาชั่วคราวก่อนเอาทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างไปอยู่วัดถือศีลแปด แล้วก็ไปพุโทโธไปฝึกพุโทโธไปฝึกสติทั้งวันทั้งคืนเวลามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาถ้าทำอย่างนี้จะได้ผลได้ผลเร็วได้ผลมากถ้าได้ผลแล้วจะติดใจจะไม่อยากกลับบ้านกลับไปบ้านทีไรก็วุ่นวายทุกทีกลับไปถึงบ้านก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาจีปาทะร้อยแปด คนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้ เ, เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวอันนู่นก็เสียอั น, นี้ก็ต้องซ่อม เ, เดี๋ยวต้องอะไรมีแต่ปัญหาร้อยแปดพอมาอยู่วัดนี่แหมมันสงบสบายาถ้าเข้าสมาธิได้แล้วมันจะอยู่วัดได้เพราะมันจะชนะความอยากที่จะไปเที่ยวได้แต่ถ้าใจไม่สงบนี่เดี๋ยวความอยากไปเที่ยวมันจะดึงเรากลับไปบ้าน เพราะอยู่วัดเที่ยวไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้นอนกับแฟนไม่ไดแ้แต่ถ้าใจสงบแล้วความอยากเหล่านี้มันจะถูกกดเอาไว้มันยังไม่ตายมันไม่ตายด้วยสมาธิสมาธิเพียงแต่กดมันไว้ถ้าจะให้มันตายอย่างถาวรนี่ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าการหาความสุขทางร่างกายนี้ เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเช่นการมีแฟนเนี่ยถึงแม้จะมีแฟนจะได้รับความสุขแต่ก็ต้องได้รับความทุกข์จากการมีแฟนพอมีแฟนแล้วก็ต้องหวงไหมหวงนะเวนะะลาแฟนไปคุยกับใครหน่อยก็ไม่สบายใจแล้ะเห็นเ็าคุยกันก็สงสัยแลวเขาคุยเรื่องอะไรเขาจะนัด ก, กันไปไหนหรือเปล่านี่ก็ทุกข์ขึ้นมาล่ะ หรือถ้าได้แฟนมนาแล้วแฟนไม่ดีแฟนชอบทะเลาะกับเราชอบมีเรื่องกับเราออหรือแฟนชอบไปมีแฟนใหม่ออย่างนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วอหรือถ้าเป็นแฟนที่ดีก็หวงอกีกหวงเขาเอกีกเวลาไม่เห็นหน้าเขาก็ไม่รู้ว่ากลัวเขาอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าเย็นนี้ยังไม่กลับบ้านจะกลับมาบ้านช้าสักชั่วโมงนึงก็ไม่สบายใจแล้ว แ้วเดี๋ยวเวลาเขาจากเราไปก็เสียใจทุกข์ใจนี่นี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยพระตจ้าบอกให้เราใช้ปัญญาให้มองให้เห็นว่าสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรานี้มันไม่แน่นอนมันดื่นได้มันดับได้มันตายได้มันหมดได้มันหายไปได้มันเสียได้มันเปลี่ยนไปได้ ของเราที่เราได้มาใหม่ๆนี่มันมักจะเป็นของดีใช่ซื้อของใช้มาใหม่ๆนี่ดีใช้ไปสักพักแล้วทำไมมันเริ่มเสียล่ะรถเนี่ยขับไปใหม่ๆก็ดีขับไปสักปีสองปีอา้าวเริ่มเสียแล้วยางเริ่มแตกแล้วสตาร์ทไม่ติดแล้ว เ, เพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันเสื่อมไงทุกอย่างมันไม่ถาวรได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมพอเสื่อม ความสุขที่ได้จากมันก็เสื่อมไปพอความสุขเสื่อมไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่นี่นี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้มันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเราก็จะได้ไม่อยากได้มันใจเราที่มันไม่สงบก็เพราะมันอยากเวลาอยู่ในสมาธิมันมันถูกสติกดเอาไว้ พอสติอ่อนกำลงังเพราะความอยากมาแล้วอยากจะออกมากินกาแฟแล้วอยากจะออกมากินขนมนะอยากจะมาดูทีวีอยากจะมาฟังอะไรนะเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะต่อไปร่างกายมันจะดูไม่ได้ฟังไม่ได้กินไม่ได้เดิ่มไม่ได้เวลามันแก่นี่จะไปเที่ยวไม่ได้นะ จะไปร้องราทำเพลงเหมือนคนหนุ่มคนสาวไม่ได้แนละ้วตอนนั้นมันก็จะมีแต่ความซึมเศร้าความทุกข์พอไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสที่เราหามันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางทีก็มีดูบางทีก็ไม่มีดูบางทีก็มีฟังบางทีก็ไม่มีฟังบางทีก็มีดื่มบางทีก็ไม่มีดื่ม เวลาอยากเราไม่ได้ดื่มไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันก็ทุกข์นี่คือปัญญาสอนใจเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้มันเที่ยงได้สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้เสมอบาง บางเวลาแทนที่จะให้ความสุขกับเรามันก็ให้ความทุกข์กับเรานี่ถ้าใช้ปัญญาแล้วเราจะทำให้เราไม่อยากได้อะไรความอยากมันก็จะหมดกำลังไปแล้วจะทำให้ใจเรานี้อยู่ในความสงบได้ตลอดใจเราที่ไม่สงบเพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจสติก็เพียงแต่กดเอาไว้ ถ้าสติหมดแรงเมื่อไหร่ความอยากก็โผล่ขึ้นมาใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเวลาความอยากโผล่ขึ้นมานี้เราจะตัดหัวมันได้เพราะเราจะบอกว่าอยากไปทำไมอยากแล้ทุกอยากไปทำไมอยากมีแฟนแล้วมีอยากแล้ทุกไปมีแฟนไปทาไมอยากมีเงินแล้วทุกมีไปทำไมไม่มีเงินดีกว่าอยู่แบบพระนิสัยไห ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องวิตกการเรื่องเงินทองอเช้าก็มีกินบ้านก็มีอยู่นี่แหละคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าความอยากต่างๆนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเราจึงพอเรารู้เราก็จะไม่ไปทำตามความอยากมันอยากได้อะไรเราก็ไม่ไปพุทโธสู้กับมันไปเดี๋ยวมันก็หมดกำลังแต่มันจะหมดแบบถาวร พอเราหมดเราใช้เหตุผลเพียงแต่เราใช้พุโทโธช่วยไม่ให้มันทำให้เราวุ่นวายใจนั่นเองแต่ทุกครั้งที่มันมาเราจะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปต่อไปความอยากมันก็หมดดูคนที่เคยอยากคนที่เคยสูบบุหรี่ก็อยากสูบบุหรีนะ่พอเวลาอยากสูบบุหรี่แล้วไม่สูบเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็หายไปคนอยากเที่ยวเนี่ย พอไม่ไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็หายไปคนอยากไปช้อปปิ้งนี่ก็เหมือนกันอยากไปช้อปปิง้งก็อยากไปมันไม่นานเดี๋ยวความอยากช้อปปิ้งมันก็หมดกำลังเราทุกครั้งที่มันอยากเราก็อยากไปทำตามความอยากอันนี้คือปัญญาต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นโทษเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นสุขปลอมเป็นสุขเดียวเดียวเป็นสุขที่ทาให้เราติดวัญยาเสกติด ทำอะไรแล้วมันจะติดนิสัยแล้วมันอยากจะทำอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ทำมันก็จะทุกข์จงหงุดหงิดลำคาญใจนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาสอนใจเราสามารถสู้กับความอยากได้ทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากเหล่านั้นมันจะหมดกำลังไปแล้วมันจะไม่มาทำให้ใจเราวุ่นวายต่อไปใจเราก็จะสงบตไปตลอดเนี่ย นี่แะคือการทำสมาธิให้การไปกลายเป็นนิพพานต้องทำด้วยปัญญาการทำจิตที่ไม่สงบนี้ต้องทำด้วยสติตอนต้อนจิตไม่สงบฟุ้งซ่านอยากนูน่นอยากนี่ก็ใช้พุทโธหยุดมันก่อนฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วพอความอยากโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาต่อ อยาทอย่าไปทำตามความอยากนะทแล้วจะต้องวุ่นวายไปไม่มีวันสิ้นสุดนะอยากมาพอได้สิ่งที่เราอยากแล้วก็ต้องวุ่นวายกับสิ่งที่เราได้มานะเดี๋ยวต้องคอยดูแลรักษาคอยรักคอยห่วงคอยห่วงแล้วพอเขาจากเราไปก็เสียหกเสียใจมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปทำตามความอยากถ้าเรามีปัญญาสอนใจอย่างนี้ไปเรื่อย ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดกําลังไปแล้วความสงบก็จะเป็นความสงบที่ถาวรพอจิตสงบอย่างถาวรเราก็เรียกว่านี้ผ่านไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ต, าต่อไปเพราะไม่มีความอยากสาเหตุที่เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากอยู่เราก็เลยต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ เพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายกันใหม่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายพอ ร, ร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เหมือนคนที่ไม่ต้องขับรถไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องซื้อรถใหม่รถเก่าพังก็ก็ปล่อยมันพังไป รถมีอยู่ก็ไม่ใช้จอดอยู่เฉยๆถ้าเราไม่เดินทางไปไหนแล้วเราจะใช้รถหรวล่าถ้าในบ้านเรามีทุกอย่างมีทุกอย่างที่ดีกว่าของที่อยู่นอกบ้านเราจะไปนอกบ้านทำไมใช่ไหมหลายเุที่เราไปนอกบ้านกันเพราะเราคิดว่าของในบ้านไม่ดีความสุขในบ้านสู้ความสุขนอกบ้านไม่ได้เราเลยต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านกันแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราบอกว่าอยู่ในบ้านสบายกว่า ไปข้างนอกก็ต้องไปใช้ห้องน้ำของคนอื่นต้องไปนอนบ้านของคนอื่นไปนอนพักโรงแรมไปกินข้าวของคนอื่นอยู่บ้านเราทํากับข้าวเรากินอร่อยกว่านอนในเตียงของเราสบายกว่าแต่เราไม่คิดกันถูกกิเลสมันหลอกกันว่า อ, ออกไปข้างนอกดีกว่าออกไปเที่ยวแล้วสนุกไปเดี๋ยวเดียวก็เบื่อ อ, อยากจะกลับบ้านไปแล้วก็อยากจะกลับบ้านอยู่ดี จะอะไเด้งไปเด้งมากิ้งไปกิ้งมาตามความอยากพออยู่บ้านก็อยากจะออกพอออกบ้านก็อยากจะกลับบ้านมันก็ต้องมีรถใช่ ไ, ไว้วิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถทําให้บ้านเรามีความสุขกับการไปนอกบ้านได้เราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านยิ่งสมัยนี้เขามีบริการส่งของให้เราที่ถึงบ้านเลยโทรศัพท์สั่งอะไรก็ได้อย่างนี้เรื่องอะไรต้องไปออกนอกบ้านให้เหนื่อยทําไม ไ, ไม่ต้องมีรถนะท่านอยู่ในบ้านได้ถ้าสามารถสั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้เราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านอยู่ในบ้านไปถ้าอยู่บ้านไม่ต้องก็ไม่ต้องใช้รถรถมีก็เหมือนกับไม่มีก็จอดอยู่เฉยๆถ้าเราไม่ต้องไม่มีความอยากจะใช้ตตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขทางลูบทางลูบเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้มีแล้วไม่มีก็เท่ากัน เราจึงไม่กลัวตายไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บกันคนที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเขาไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บเขาไม่กลัวความตายเพราะเขาไม่ต้องใช้มันมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายก็เท่ากันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่เวลาท่านแก่ท่านเจ็บท่านตายท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายแต่พวกเรานี่เดือดร้อนเพราะเรายัางต้องใช้ร่างกายอยู่ยังอยากไปนู่นอยากมานี่อยู่ยังอยากไปดูอยากไปฟังอยากจะไปกินไปดื่มอยู่ ก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายมันเริ่มไม่สามารถทำตามที่เราอยากได้เราก็กลัวกันเลยกลัวจะต้องอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเพราะอยู่เฉยๆแล้วมันรู้สึกซึมเศร้าใช่ไหมเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ขึ้นมาเราจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่คนที่ไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายแล้วเขาไม่กลัวร่างกายจะแกะ่ไม่แก่ก็เหมือนกันเพราะไม่ได้ใช้มัน จะเจ็บจะตายก็เหมือนกันไม่ไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วแล้วเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเรายังต้องใช้มันอยู่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เหมือนถ้าเรายังต้องใช้รถอยู่รถกันเก่าเสียเราจะทำไงก็ต้องซื้อคันใหม่เพราะเรายังต้องใช้มันอยู่นี่แหละคือการกลับมาเกิดก็เพราะเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจะไม่ใช้ร่างกายก็ต้องไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองจะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ต้องนั่งสมาธิเวลาทำใจให้สงบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดไปแต่หยุดชั่วคราวพอมันโผล่ขึ้นมาถ้าจะให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา ปัญญาจะสอนว่าอย่าไปทําตามความอยากทําตามความอยากแล้วจะไม่มีวันจบอยากแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆถ้าฝืนมนแล้วมันก็จะหดไปมันจะหมดไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาชนะความอยากด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอมีสติจิตก็จะสงบพอจา ก, กความสงบมาพอจะอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญา อ, อย่าไปนะอยากจะดื่มกาแฟอย่าดื่ม อยากจะกินขนมอยากกินถ้าจะกินให้มันกินเป็นเวลากินแบบกินยาอย่าไปกินเพื่อความสุขเช่นพระพุทเจ้าการอนุญาตให้พระฉันวันละมื้อถึงเวลาก็กินเหมือนเติมน้ำมันร่างกายต้องมีน้ำมันร่างกายต้องมียามีอาหารกินยาแบบกินอาหารกินเป็นเวลาไม่ใช่กินแบบพ่่มเพื่ออยากจะกินอะไรก็กินอย่างนี้กินตามความอยาก มห้ามกินตามความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ต่อไปแล้วเราจะไม่กินข้าเพื่อถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่กินถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าๆเพราะต้องร่างการต้องการน้ำเปล่าๆไม่ต้องการน้ำชากาแฟน้ำเขียวน้ำแดงน้ำดำน้ำอะไรอันนี้เป็นความอยากอยากในรสของของน้ำไงอยากในกลิ่นของน้า แต่ได้กินน้ําเพื่อร่างกายก็กินน้ําเปล่าร่างกายต้องการน้ําเปล่าแต่ถ้าต้องการน้ําสีน้ํากลิ่นน้ําหวานน้าเปรี้ยวน้ําอะไรนี่ก็แสดงว่าความอยากในรสรูปเสียงกลิ่นรสล้วเราอยากจะตัดความความอยากเหล่านี้เราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาร่างกายหิวน้ําก็ให้น้ำเปลาเปล่าอย่าไปให้น้ําสีถ้าน้ำสีแสดงว่ามีความอยาก ถ้ามีความอยากเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ให้คิดอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็กินขนเดียวแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าไปหาความสุขจากความไม่อยากดีกว่าความสุขที่ อ, อร่อยที่มีรสมีชากว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็คือความสงบเลยถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสเราจะกินแบบกินเป็นยาได้ดื่มน้าก็ดื่มแบบเป็น เัญญาดื่มน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายได้จะไม่ต้องดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีอะไรต่างๆอันนี้เทศดีคนนั่ง <t> ฟ <ian> ังฟังเทศแล้วมันใจมันสงบถ้าไม่มีสติมันก็หลับนี่คือเรื่องของนิพพาน เรื่องที่มากับพระพุทธศาสนาไม่มีศาสนาอื่นที่จะรู้จากทางไปนิพพานเพราะไม่มีใครไปถึงพนนานิพพานมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวเท่านั้นที่ค้นพบทางไปนิพพานพคนแล้วก็มาบอกพวกเราเนี่ยบอกว่านี่คือทางไปสู่นิพพานกันถ้าไปเรียนกับศาสนาอื่นเขาสอนไปแค่สวรรค์นะเขาสอนให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลกัน แล้วก็อาจจะให้ร้องเพลงสรรเสริญเหมือนสวดมนต์เหมือนสวดมนต์อันนี้ก็เป็นเหมือนฝึกสมาธิฝึกสติเวลาเราสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญเราก็จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้ใจก็สงบในระดับหนึ่งระดับของสมาธิแต่ไม่มีใครสอนเรื่องปัญญาเรื่องว่าต้องกําจัดความอยาก ถ้าจะอยากได้ความสงบอย่างถาวรเพราะเดี๋ยวหยุดสวดหยุดสรรเสริญหยุดร้องเพลงเดี๋ยวก็อยากขึ้นมา <c oughs> ถ้าอยากขึ้นมาทัองมีปัญญาสอนใจว่าอยากไปทำตามความอยากเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์เพราะอยากแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมเพราะอยากดื่มกาแฟแล้วนั่งเฉยๆใช่ไหมไม่ได้ะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาน้ำมาต้มแล้วหากาแฟมาหาถ้วยมา ถ้าถ้ากาแฟาหมดก็ต้องออกไปนอกบ้านไปซื้อกาแฟาอยู่ไม่ได้ต้องไปหามาจนกว่าจะได้ดื่มแล้วถึงจะหยุดแต่ก็หยุดเดียววเดียเด๋ยวความอยากจะดื่มถ้วยใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกนี่คือโทษของความอยากความอยากนี้จะทำให้ใจเราหมุนทำให้ใจเราต้องดินต้องหาต้องแสวงหาความสุขอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปเหมือนควันไฟไหมเห็นควันไฟไหอ่าสูบบุหรีแล้วลองพ่นอนอไปจากปากเดี๋ยวก็จังหายไปหมดความสุขที่เราได้ทางตาหูจมูกลิน้นกายความสุขที่เราได้ตามความอยากนี่เป็นความสุขชั่วคราวพอหมดแล้วเราก็ต้องหาใหม่หาไปจนวันตายพอตายก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้หาใหม่เนี่ย เชื่อไหมว่าเรากลับมาเกิดนี่ไม่รู้น้ำไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเรามาเกิดกี่ครั้งเนี่ยลองเอาน้ําตาที่เราร้องไห้ในแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยมารวบรวมกันไว้พระพุทธเจ้าบอกมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเสอีกเป็นดูว่าต้องร้องร้องไห้กี่ครั้งถึงจะได้น้ํามากเท่าน้ําในมหาสมุทรนั่นละ่ะคือจํานวนพบชาติที่พวกเรากลับมาเกิดกัน กลับมาตายกันจำนวนที่เราต้องมาตายกันมาแก่มาเจ็บมาตายกันเนี่ยนับดูสักกี่แสนล้านครั้งด้วยกันแล้วมนันนามันมีความสุขไหมเวลาเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเนี่ยมีแต่คนร้องกันทั้งนั้นโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพอไม่รู้ว่าทัไม่รู้ว่าตัวเองเคยมาเกิดกี่ครั้งคิดว่านี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ย เพราะความจำเราไม่มีคนที่ก็มีความจำดีๆเวตานั่งสมาธิเขาแล้วเลิกชาติได้เขาแ ล, ล้วเลกว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรมาไปเป็นอะไรมาไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าคนไม่มีความจำนี้จะจำไม่ได้บางคนก็พอจะจำได้บางทีเคยเคยมาที่นี่มาก่อนคิดเอ๊ะที่นี่เราเคยมาก่อนนะแต่จำไม่ได้ว่ามาเ ม, ม, มื่ อ, อไหร่ อาจจะเป็นหลายชาติก่อนนั้นก็ได้เคยมาตรงนี้นี่เกิดเรื่องของการที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้พบถ้าได้พบเราก็จะมีวันที่จะต้องวันที่เราจะได้เลิกหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องมาทุกอย่างที่เราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่เจอพระพุทธศาสนาเราก็ยังจะต้อง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาอยากกันมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันฝนตกมากไหมไม่มากเดี๋ยวขอจะให้พรกันดีกว่านะเดี๋ยวเผื่อใครจะกลับก็กลับกันได้เรือไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าหาที่ร่มกัน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 จันโทปะนะอะโสยะามณีจดีอะระโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุทาปจายิโน จัตารธรรมาวทาทันติอายุวโนโสอสุขังพาลางะละอาจารย์ได้ทราบว่า ว, วันนีเป็นการตอบถามปัญหาธรรมใช่ไหมคะได้เดี๋ยวรอพักก่อ น, อนเดี๋ยวให้คนเขานั่ ง, งให้เรียบร้อยปักปัญหาไว้ก่อนได้ไหมคะปักแล้วไม่ฟังคำตอบจักเลยทราย อ๋ปากไว้ปากคำถามแต่ไม่ฟังคาตอบาเดี๋ยไปฟังคตอบเออไปฟังี่ไหนหอตรงนี้แหละข้านไก็เดี๋ยวถามปั๊บก็ตอบเลยไม่ต้องปากไม่เดี๋ยวให้คิวหนึ่งเลยไม่ต้องกลัวดวให้คิวหน่เออจะเคิวสองกันเออเออจององวันเดี๋ยวให้คนเลยเดี๋ยวให้คนเขาขยับเรียกให้เรียบร้อยก่อนีให้เป็นเวลาฟังรามมันต้องนิ่งต้องไม่มีการเคลื่อนไหว เกินไว้แล้วจะไม่ได้ฟังกันไม่ใช่อะไรหรอกพูดไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ใช่เราคนเดียวที่ฟังคนอื่นเขาบอกว่าเขาฟังคาถามบางคนอื่นเขาก็ได้คำตอบเพราะเขาก็มีคำถามเหมือนกันบางทีก็ไม่ต้องถามเขารอให้เราถามให้เขาเพราะเราหูออกเดียวกันน่ะ <c oughs> หูออกเดียวกันพวกมีคาถามมีปัญหาเหมือนกันทั้งสองคำถามด้ลยนยฮะ ออกี่คำถามว่าได้เดี๋ยวไม่ต้องกลัวถามได้หมดเดี๋ยวเราให้เขานั่งกันให้เรียบร้อยก่อนเวลามีเยอะแยะ อ, ยอ่ะาใครอยากจะถามปัญหาว่ามาคือตอนที่พระอาจารย์บอกว่าถามได้เลยไหมค ะ, ะว่าความอยากทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดความอยากเปก็นกิเลสอนี้ก็เลย ตดังหนึ่ก็คือไม่อยากอะไรแบบนความไม่อยากความไม่อยากมันก็สงบไงเวลาจิตสงบมันก็ไม่มีความอยากไม่ใช่ค่ะออย่างเช่นไม่อยากอยู่กับคนคนนี้ไม่อยากทำงานอันนั้นอันนั้นอยากอยากไม่อยู่พูดเปิดอยากไม่อยู่กับเขาคอนไม่ใช่ไม่อยากมันอยากแต่มันอยากไม่อยู่กับเขาอยากที่จะไม่อยู่เขาเรียกวิภาวะตัณหาไงมันมีภาวะตัณหาอยากอยู่กับเขาเรียกว่าภาวะตัณหา อยากไม่อยู่กับเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาก็เป็นความอยากที่จะไม่อยูอ่ที่จะทําให้ใจเราอยู่ไม่เฉยเฉยไม่ได้ถ้าเราอยู่เฉยเฉยได้แสดงว่าเราไม่มีอยากอยู่กับเขาก็ไม่มีอยากไม่อยู่กับเขาก็ไม่มีก็อยู่เฉยเฉยได้ไม่ไม่มีความทีน่หลนที่จะต้องไปไหนมาไห น, นที่ภาษาไทยเรามันพูดลําบาก บงทีเราบอกไม่อยากนี่คนจิมันอยากแต่ไม่อยากอยู่กับเขานี่คอนจิมันต้องบอกว่าอยากไม่อยู่กับเขาที่จะไม่อยู่อ่าใช่ที่เรามันพูดแบบง่ายๆกันเลยว่าไม่อยากจะอยู่กับเขาอาจารย์ภาษาอังกฤษว่าไงให้อยากที่จะไม่อยู่วิภาวะตัณหาไงก็คืออ่าอ่า not to be not to be with the desire not to be with this or that person Uh, not to be d o e d man we c i d e to be and e c i d e t o be uh, to be o r not to be อย่างเท็กซ์เจอราถาง to be or not to be อ uh, uh, uh, uh, uh, ่าอาเาจริงะจะจะอยากอยู uh ่ห huh. ร <laughs> ือจะอยากตายเนี่ยเขาเขาถางนี่ยอยากอยู่ก็ผิดอยากอยู่ก็ผิดอยากตายก็ผิดพระหานพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากตายไม่มีความอยากอยู่ ท่านเอ่าท่านเฉยอยู่กับมันได้ทั้งสองอย่างถึงเมื่อมันยังอยู่ก็อยู่ไปเมื่อมันตายก็ปล่อยมันตายไปเนี่ถึงเรียกว่าแบบไม่มีความอยากแต่คนที่ที่มีความอยากเวลาทุกข์ก็อยากตายเวลาสุขก็อยากอยู่ไม่อยากตายเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งสองอย่างอยากตายก็ทุก เพราะมันยังไม่ตายอยากอยู่ก็ทุกข์เพราะมันอยู่ไม่ได้เพราะมันจะต้องตายเพราะมันจะต้องตายคำถามหมดแล้วเหรอคำถามเดียวเลยมีคำถามหนึ่งก็ค่อนข้างจะคิดอยู่ตลอดขันห้าค่ะที่บอกว่าขัน exactly. ห yeah. well, yeah. yeah. yeah. uh, uh, mm ้าเป็นของหนักอทนนี้ตอนที่มันเรียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่รู้มันต้องเรียงลาดับตามนี้ใช่เหมคะอาจาร อคือมันก็ไม่ต้องเลียงหรอกมันเพียงเป็นรายการของขันห้าซึ่งขันห้านี่มันเบแบ่งเป็นสองสองพวกเนี่ยพวกหนึ่งเป็นพวกร่างกายคือรูปรูปนี้คือร่างกายเนี่ยที่เราเห็นด้วยตาหูเนี่ยที่จะเห็นด้วยตาเราเนี่ยเป็นรูป เ, เรียกว่าเป็นหนึ่งขันส่วน อ, อีกสี่ขันนี่มันเป็นนามขันเป็นขันที่ออกมาจากใจ เช่นความคิดอย่างงี้ยความจำได้หมายรู้การรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสการความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในขันในนามขันใจา่ะเวทนากับวิญญาณจะเป็นจะเป็นยังไงทั้งปั๊ไอนามขันนี่มันจะมาพร้อมกันมันมาเป็นพวงมาทั้งสี่อ่ามันเกิดดับพร้อมๆกันเช่น นามขันนี้มันจะมาจากวิวญญาณก่อนวิญญาณคือตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นทีมันจะไปเกาะที่ตาวิญญาณที่ไปเกาะที่ตาเราก็เรียกว่าจาักขูวิญญาณอพอตาพอตาเห็นรูปเนยก็จะเกิดสัญญาขึ้นมาสัญญาก็คือว่าจำจารูปนี้ได้หรือเปล่าเคยเห็นคนนี้หรือเปล่าอพอเห็นภาพมันก็จะมา คนหาความจำว่ารูปนี้เป็นใครวะถ้าจำได้ว่าอ๋อเป็นเป็นเพื่อนก็จะเกิดเวทนาเกิดความสุขเวทนาขึ้นมาพอพอไปเจอคู่คู่คู่เวรคู่กรรมก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขหรือเกิดทุกขเวทนาก็เกิดสังขารความคิดว่าทำไงดีวะถ้าเจอเพื่อนก็เสแสลวใช่ไหมถ้าเจอคู่ศัตรูก็ถอยดีกว่าหลบดีกว่า เนี่ยก็สังขารเนี่ยมันทำงานพร้อมงานสี่ตัวเนี่ยมันไปเป็นทีมนามนสังขารมันไปเป็นทีมน่ามันก็เป็นตัวที่ลากให้ร่างกายไปไหนมาไหนไงพอร่างกายเห็นคนที่ชอบมันก็สั่งให้ไปเซ่ฮลโหลฮาวายูสบายดีป่ะ <laughs> <laughs> <laughs> พอไปเจอเจ้ า, จานี่ก็หาทางเข้าใจอ่ง okay, ยอย่างนั้นง <laughs> านสันนี้เป็นตัวขับร่างกายกทีหนึ่งตัวนานสังขารสี่ตัวนี่เป็นตัวที่จะสั่งให้ร่างกายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาทํานู่นทํานี่ แนี่มันต่ำไปเป็นทีมทั้งห้าทั้งห้าตัวนี่มันไปเป็นทีมไม่ต้องไม่ต้องเรียงใช่ไหมฮะไม่ต้องเรียงอ่ะถ้ารู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรแต่ต้องเกิดครบความกันสี่สี่คนไอ้สีตัวนี้มันมันอยู่ในใจเรามันจะมาเป็นทีมส่วนไอ้ร่างกายนี้บางทีมันก็มามันก็หายไปพอมันตายไปไอ้ตัวตัวนี้ก็ไปหาร่างกายมาใหม่มาร่วมทีมใหม่ แต่ไอตัวสี่ตัวนี้เป็นตัวออริจินัลมันไม่แต่มันต้องเปลี่ยนในร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะไอ้ร่างกายอร่างกายมันอายุมันสั้นไงแปดสิบปีร้อยปีมันก็ตายพอตายที่ไอ้นามขันมันยังอยากจะใช้ร่างกายอยู่มันก็ไปหาร่างกายมาเข้าทีมใหม่เพราะมันเหมือนเล่นดนตรีขาดตัวร้องตัวนํามีแต่ตัวเล่นมีตีกลองตีอะไรได้แต่ไม่มีนักร้องร่างกายนี้เป็นเหมือนนักร้อง พอนักร้องตายไปก็ต้องไปจ้างนักร้อมคนใหม่มาไปเกิดใหม่ไปหาแล้ตอนมันจะเกิดใหม่เนี่ยสัญญามันหายแล้วเนี่ยจำ ไ, ไ, ไ, าาไม่ได้คนนี้เป็นกุ้งอาฆาตใช่มันมันจําไม่ได้แต่มันยังอยู่มันมันก็จํามันใหม่ไง<อ>มันก็ยังจําได้บางทีเดี๋ยวไปเจอของเก่ามันนึกขึ้นมาได้อ๋อเคยเคยเกลียดคนนี้มาเนี่ยวะเคยชอบคนนี้มาเนี่ยวะทําไมเจอคนนี้ทำไมอยู่ดีไปชอบคนทําไมทำไมเจอคนนี้ทําไมเกลียดเขาทาไม พอมันจำได้ว่าไอ้หาเนี่มันเคยมีปัญหากันใไมะไม่ต้องบอกกั น, นไ ด, ได้ก็คนเราที่เราเจอเจะมีสามแบบไงเจอแล้วรักกันอชอบกันเจอแล้วเกลียดกัน<ไ>เจอกันแล้วเฉยเฉยถ้าเฉยเฉยก็สแสดงว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เลยเฉยแต่ถ้าถ้าเกลียดกันนี่สแสดงว่าเคยเคยเจอกันมาแล้วเคยถ้ารักกันก็สแสดงว่าเคยเคยร่วมบุญกันมาแล้ว นี่สัญญามันจะจำไว้มาจากสัญญาพระคคุณา่านี่คือขาหน้ามันทำงานค่ะ ม, มามักการค่ะาาใกล้จะปีใหม่แล้วค่ะพอดีลูกน้องหนูเขาก็บอกว่าคือหนูว่าจะเลี้ยงลูกน้องก็คือเป็นอาหารที่จะเลี้ยงทุกๆปีที่ทำงานให้หนูทีนี้ลูกน้องก็บอกว่าเออพี่เอขอเล่าเอาหนูก็บอกในความรู้สึกว่าเร า, เ, าเป็นคนที่แบบ เป็นนายจ้างเขาเราเราใช้แล้วเขาขอเล่าหนูรู้สึกว่าถ้าให้เล่าเท่ากับแช่งหนูก็เลยให้ให้เล่าเท่ากับแช่งหนูก็ไม่กล้าที่จะสอนเขาเพราะว่าจ้างก็เกิดเทศอยู่เสมอว่าเราไม่สามารถจะบอกคนอื่นได้ถ้าเขาสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาชอบพิลเล่าถ้าหนูไปบอกว่าไม่ดีเขาอาจจะไม่ชอบหนูหนูก็เลยบอกไ้ว่าเมื่อเช้าก็บอกไปว่า เอาอย่างนี้และการจัดการที่เธออยากกินเหล้านะ่ะไม่เกี่ยวกับฉันแต่ฉันจะให้เป็นเงินเป็นสีนน้าใจในเรื่องปีใหม่ไ ป, ปถ้าจานข้าที่หนูแก้เป็นแต่ปนก็เงินตรงนี้เขาก็ไปซื้อเหล้าแน่นอนอหนูผิดไหมคะเป็นส่วนหนึ่งไหมถ้าเราไม่ได้ให้เขาเจาะจงให้เขาไปซื้อเหล้าก็ไม่ผิดหนูก็เรียกเลยเราบอกเป็นโบนัสมึงจะไปใช้ก็เรื่องของมึงยังไม่ถึงขั้ถึงนะครับอได้อ แต่ก็ห้ามเขาไม่ได้หรอถ้าก็จะเอาไปเป็นเงินไปซื้อเหล้าก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเงินของเขาที่เราต้องให้เขาเว่าเป็นเหมือนกับเป็นเงินที่เขาฝากเราไว้เราก็ต้องให้เขาไปเคยนเข้าไปส่วนเขาจะไปใช้ยังไงก็เรื่องของเขาอย่างน้อยเราก็ไม่เอามาเลี้ยงเอาเหล้ามาเลี้ยงเขาเขาก็จะได้เขาก็จะอาจจะคิดว่าทําไมเขาไม่เอาเหล้ามาเลี้ยงเรา เอแต่เอาป้าจันครับแต่หนูตอบไปตรงๆเลยนะเจ้าค่ะว่าเออน้องพี่อ่ะไม่ให้เล่านะได้ก็ให้เป็นเงินแทนได้ได้ก็ให้เงินไม่ได้ให้เล่าจะอนุญากตัดออกจากตัวหนูได้ได้ก็ไม่ได้ให้ครับไม่ได้ให้เล่าเนี่ยให้เงินเงินจะไปซื้ออะไรก็ได้ไม่ได้สั่งให้ไปซื้อเล่ามันไปซื้อเองอ่ะเออเออถ้ามันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้มันเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าเออใช่ไหม อันนี้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เมื่อเราต้องให้เขาเราก็ต้องให้เขาไปสบายใจแล้วเชิญเข้ามาได้เข้ามาถามได้ถามได้เลยตอนนี้ก็ได้ดังๆหน่อยก็แล้วกันจะได้ยินเมื่อเราวๆนี้มีข่าวว่า มีเอมบริโอที่ถูกฟร o ซเซน25ปีอยากทราบอยากทราบว่าขณะที่ถูกฟ r o ซเซนหรือว่าเอมบริโอมีจิตคช้ยังคะก็น่าจะมีแล้วนะถ้ามันยังถ้ามันมีชีวิตอยู่แล้วมันยังไม่ตายจิตแต่อเมริโอแลก็ถูกฟ r o ซเซนด้วยเหรอคะก็จิตมันใช้อเมริโอไมาเป็นเครื่องมือแต่ทีนี้เอมบริอมันยังไม่มันไม่พัฒนาการจิตก็เลยต้องนั่งรออยู่งั้นไป จิตไม่ได้ถูกฟรีแต่จิตยอยู่อีกที่หนึ่งเป็นแต่จิตส่งกระแสมาเกาะติดที่อิมอนี้ส่งวิญญาณมาเกาะติดที่ uh huh. ที่ร่างกายแล้วก็รอให้ร่างกายมันพัฒนาขึ้นมา uh huh. พอเทาะออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มใช้ร่างกายทำอะไรได้ uh huh. แต่ถ้ายังถ้ามันยังไม่ได้พัฒนาก็ต้องรอไปก่อนเหมือนอยู่ในท้องแม่ก็ต้องรอเก้าเดือนก่อนถึงจะออกมาได้ uh huh. แต่มัน จิตมันน่ามันจะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้มันท่านบอกว่ า, าการเกิดนี่มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เชื้อของพ่อกับของแม่มาพบกันแล้วก็มีจิตมามาร่วมด้วยมีสามส่วนของพ่อส่วนหนึ่งของแม่ส่วนหนึ่งของของเราคือจิตอีกส่วนหนึ่งพอมารวมกันก็จะเกิดเป็นการปฏิสนธิขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นขึ้นมาเริ่มต้นของชีวิตขึ้นมา เพราะงั้นพอดีสมัยใหม่มันมีเทคโนโลโยีมันไปแช่แข็งไว้ก่อนไอ้ไอจิตตรงนั้นก็เลยซวยไปก็ <kle S 2> ต้องใจเย็นๆรอไปก่อนแต่เขาเลือกของเขาไว้แล้วแบบเขาจองไว้แล้วไงเขาได้คิวได้ได้คิวอันนี้แล้ว<อ>กรรมมันตัวกําหนดให้เราได้ได้ได้คิวกันแสดงว่าเขาต้องรอเกิดวก็รอจนกว่าไอเอมบรัวนั้นจะพัฒนาหรือแม่งก็ถูกทําลายไปถ้าถูกทําลายไปมันก็ขาดออกจากกัน จิตก็จะไปหาใหม่ต่อไปเข้าคิวใหม่ต่อใช่เหมือนปลาไมหมคะที่คุณล็อกทุกทุกอย่างาาไว้แล้วก็แช่เย็นไว้ค่ะฟอออกมาแล้วมันก็มีชีวิตต่ออ่านั่นแหละมันก็เหมือนกันแหละจิตที่ไปเกาะกับปลาตัวนั้นก็ต้องรอให้ปลามันเคลื่อนไหวได้ไปทำอะไรได้มันถึงจะไปใช้ปลาตัวนั้นหาความสุขได้ แต่จิตถ้ามีความสงบก็จิตก็ไม่เป็นไรไม่มีร่างกายมีอย่างพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกับแช่แข็งอยู่นะเพราะท่านก็ไม่ได้มีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ท่านมีความสุขของท่านโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายท่านก็ไม่เดือดร้อนคือจิตเนี่ยของเราเนี่ยมันอยู่มีร่างกายก็ได้ไม่มีร่างกายก็ได้ใช่เวลาเราไม่มีร่างกายแล้วเรารอช่วงที่เรารอเกิดช่วงนั้นเราก็เหมือนนอนหลับฝันไป บางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายช่วงที่ฝันดีก็เรียกว่ากำกลังรับผลบุญเนี่ยการทำบุญนี่จะทำให้เราฝันดีการทำบาปนี่จะทำให้เราฝันร้ายนี่ยเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเราก็ฝันใช่ไถ้าเราทำบาปเราจะฝันร้ายถ้าเราทำดีเราจะฝันดีถ้าเราไม่มีร่างกายเลยเส้นร่างกายตายไปเราก็จะฝันยาวไปเลย ฝันไปจังกว่าจะตื่นขึ้นมาจังกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นเช่นตอนนี้ที่ท่านผู้หญิงถางมเมื่อกี้นี่ถามว่าเราจิตดวงนั้นกําลังทางําอะไรอยู่ตอนนั้นก็ยังนอนฝันต่อไปยังไม่ตื่นเพราะตื่นไม่ได้มันไม่มีที่ให้มันตื่นเพราะตัวร่างกายมันไม่เกิดแต่พอออกมาจากท้องแม่ปั๊บลืมตาตื่นขึ้นมาละร้องเป็นเด็กแว้ว้า ว, าวาตอนนั้นตื่นละได้ร่างกายอันใหม่ แต่ตอนยังไม่มีร่างกายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาเรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหมใช้ร่างกายทำไรป่าเวลานอนเหมือนคนตา ย, ยไม่ร่างกายนอนเหมือนคนตายไม่ได้ทำนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ไปเาปทำอะไรใช่ไหมไม่ได้ไปดูไปฟังไปอะไระมันก็ใช้มันก็ใช้นามาขันเป็นตัวไปหาความสุขแทน มันเอาความจำที่เอาเรื่องที่เราเคยไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่มาฝันใหม่มันเหมือนกับมาดูดูย้อนหลังอ่ะพนะย่ะนะเดีสมัยนี้เนี่ยที่นี่มีถ่ายทอดสดก็เมืดูย้อนหลังนนเวลาเราไปทําบุญก็เหมือนเราก็ไปไปถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้เวลาเราไปทํำบาปก็เราก็ไปถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้พอเรามานอนหลับไอ้วีดีโอที่เราถ่ายไว้มันก็จะมาฉายเราดูใหม่ฉายกลับกันใครไปทำร้ายเขาก็มันจะมันกลับจะมาทำร้ายเรา ฝันมันจะมีคนนั้นคนนี้มาทําร้ายเราเวลาเราทําบุญเราไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เวลานอนหลับเราก็จะฝันกลับกันจะมีคนนั้นคนนี้มาช่วยเหลือเรามาดูแลเรามารับใช้เรามันจะพลิกกลับกันฉะนั้นคนทําบุญเนี่ยเวลานอนหลับจะฝันดีคนทําบาปนี้เวลานอนหลับจะฝันร้ายแล้วถ้าไม่มีร่างกายมันก็จะฝันยาวฝันดีไปยาวก็เรียกว่าอยู่ในสวรรค์ ถ้าฝันร้ายก็เรียกว่าอยู่ในบายอยู่ในนรกจนกว่าจะกลับมามีร่างกายใหม่ถึงจะเลิกฝันตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาถ่ายวิดีโอใหม่ไปทาบุญก็ถ่ายวิดีโอไว้ไปทาบาป ก, ก็ถ่ายวิดีโอไว้นี่คือเรื่องของขันห้าเนี่ยนี่มันทำงานอย่างนี้ตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวที่ถ่ายแล้วก็มามามาฉาย ใ, ใหม่เวลาไปทำบุญมันก็จํไว้ได้วันนี้ไปทำบุญที่นั่นทบุญที่นี่ แล้วเลานอนหลับมันก็เอาเอาเรื่องที่เราไปถ่ายนี้กลับม า, ชาใช้เราดูใหม่ะเข้าใจแล้วนะมีใครอยากจะถ่ายรึไหมถายอาจารยครับเกี่ยวกับเรื่องอาการนิยามของคาําว่าสติกับปัญญามันต่างกันยังไงเาขาฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหมเราจะให้ตับภาษาถ่ายรึเปล่ามีผู้อย่างที่อื่นแล้วแล้ว อาจารย์สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมแปลทีเป็นภาษาที่นี่ครัเพราะเขาพูดขาฟังคลาสตอกจิตโอเคเราใจมันสติเนะแท่านตอนต้องฝึกสติก่อนเพื่อจะทําให้ใจสงบพอใจสงบแล้วใจจะมีความสุขเช่นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไร ถ้าพุโทโธไปสักพักแล้วไม่คิดอะไรเดี๋ยวจิตก็รวมนิ่งลงสงบลงแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้คือเรื่องสติมีไวเพื่อให้ทาใจนิ่งสงบเป็นสมาธิดูลมหายใจก็ได้ไม่ใช้พุโทโธก็ใช้ลมหายใจก็ได้เฝ้าดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกแต่แต่อย่าไปคิดอะไร ถ้าทําได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบแล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาพอเราพอสติลราหมดกําลังจิตก็จะถอนออกมาจากความสงบเพราะความอยากมันจะดันออกมาขั้นต่อไปถ้าเราอยากจะให้จิตสงบโดยที่ไม่ต้องใช้สติเราก็คอยกําจัดความอยากที่มันดันใจให้เราไม่สงบต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คื อ, อ, อความรู้ที่สอนเราให้รู้ว่าเราต้องทําลายความอยาก เพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความไม่สงบของใจจะจะใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้อะไรมาได้อะไรมาก็สุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปก็อยากต้องหาใหม่อีกพอเดี๋ยวหมดก็อยากใหม่อีกนั่นไงก็ ถ้าไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันจะหายไปเช่นอยากสูบบุหรี่เวลาอยากสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันพอเราไม่สูบต่อไปความอยากจะสูบก็หมดไปแต่เราต้องเห็นว่าทําไมเราไม่สูบเพราะเราเห็นเราสูบแล้วมันเป็นทุกข์มากกว่าสุขเราเวลาอยากจะสูบแล้วไม่ได้สูบมันทุกข์มากอนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุข ปัญญาจะสอนเนียเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชั่วคราวอนิจจังชั่วคราวอนัตตาเราควบเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้สิ่งที่สิ่งนั้นคำถามทันทีคือหลังจากที่ได้ฝึกสมาธิไปถึงขั้นเมือ่อไหร่คือคำถามว่เมื่อไหร่ฉังจะไปฝึกเป็นเป็นด้านอวิปัสสนา ก่อนแ้กก็ให้มันชำนาญในทางสมาธิก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการคือให้ใจเรามีความสงบตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งสมาธิก็สงบเช่นออกจากสมาธิมาแล้วใจก็ยังสงบอยู่จะไม่สงบก็ต่อเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราชำนาญเรื่องสมาธิสามารถรักษาใจาให้สงบได้ตลอดเวลาเราก็เริ่มคิดไปทางปัญญาได้เวลาออกจากสมาธิมา มองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่ทําตามความอยากได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาอาันนี้มีหลายทับหลายภาษานะ อ, า <c oughs> อะภาษาครับทุกอยากเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกอยางเปลี่ยนแปลงตลอเวลาแล้วตัวเราแค่ไหนครับคือตัวเรานี่ความจริงตัวเราก็คือใจ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราที่เราไปจ้างเขามารับใช้ทำอะไรต่างๆให้กับใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจเป็นผู้ต้องการได้ความสุขจากทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ลเลยต้องไปมีร่างกายเพื่อจะได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ร่างกายนี้มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวแก่เจ็บตายไป รูเสียงกลิ่นรถมาแล้วก็ไปหายไปมาใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ใจนี้ไม่เปลี่ยนใจก็ยังเหมือนเดิมแล้วกรรมกรรมก็คือตัวกรรมกรรมคือการกระทําของใจไงเป็นการกระทํามันไม่ได้เกี่ยวว่าไม่ใช่ตัวเรารู้ของเรามันเป็นการกระทําของใจเวลาเราคิดจะไปทําบุญเนี่ยใจเป็นคนทำนะไม่ใช่ร่างกายทําใจสั่งให้ร่างกายมาทําบุญะ ใจเป็นเหม no ือนร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์พาเรามาทำบุญแท้กรรมไม่ใช่เราไม่กรรมเป็นการกระทำมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่เราแล้วนิสัยแล้วครับนิสัยก็เป็นการกระทำอะไรที่มันติดเป็นนิสัยไงทำบ่อยๆมันก็มันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมานิสัยจริงๆก็ไม่ใช่เราใช่ไหมครับไม่ใช่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเราไม่เราไม่ใช่เรามันเป็นนิสัยคือการกระทำที่ทำซ้ำซากมันก็เป็นนิสัยขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วจริงๆตัวเรา ตัวเราก็คือใจไงตัวรู้ตัวคิดเนี่ยคือตัวใจตัวเรา <c oughs> เราคิดเราคิดจะทําบุญเราทําบ่อยๆมันก็ติดเป็นนิสัยขึ้นมาก็อยากจะทําบุญไปเรื่อยๆมันเป็นนิสยัยนิสัยมันเป็นส่วนหนึ่งคุณสมบัติของเราเรามีนิสยัยนิสัยเรามีสองแบบนิสัยดีกับนิสัยไม่ดีน บางคนชอบกินเหล้ า, มาเมายาเล่นการพนันนี่เรียกว่านิสัยไม่ดีบางคนชอบทําบุญนั่งสมาธินี่เรียกว่านิสัยดีแล้วตัวคิดกับตัวรู้เหมือนกันหรอก็มันมาจากที่เดียวกันมันทําหน้าที่สองอย่างมันมือซ้ายมือขวาอย่างตัวรู้ก็รู้ไปตัวคิดก็คิดไปมันมันอยู่ในใจมันมีสองหน้าที่เหมือนรถอะ่ะมันมีเบรกกับมีคันเร่งอะ่ะนะ คนเล่งก็ทำหน้าที่เร่งรถให้วิ่งคันเบ ก, ก็มีไว้เหยียบหยุดรถความคิดก็มีหน้าที่คิดเพื่อที่ได้ไปทำอะไรต่างๆได้แต่ถ้าคิดแล้วถ้าไม่มีตัวรู้ก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรมันต้องมีตัวรู้รับรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่จะคิดทำบุญตัวรู้มันต้องรู้ก่อนว่าวันนี้จะทำบุญแล้วตัวรู้เนี่ยจะเป็นตัวที่อนุมตัติตัไปทาดีไม่ดี ถ้ามีนิสัยชอบทาบุญพอคิดจะทาบุญตัวรูว้ไปเลยแต่ถ้าเป็นนิสัยชอบ ก, กินแล้วพอคิดจะทาบุญตัวรูว้บอกอย่าไปดีกว่าเข้าใจไหมข อ, อ请教一下就是在我们修三摩地的时候当我们做禅的时候在什么时候我们才可以动移动身体ก็คือเขถามว่าเวลาดั่งสมาธิเวลา นั่งสมาธิแล้วนั่งนั่งนานเท่าไหร่นั่งถึงเมื่อไหร่ถึงจะสามารถขยับร่างกายกลับตัวได้เออมันเวลานั่งสมาธิเราไม่ไปกังวลเรื่องร่างกายเราให้ควบคุมใจให้สงบให้ได้ถ้าสงบแล้วมันไม่จะมันไม่มันจะไม่ยุ่งกับร่างกายเวลาใจสงบนี้มันจะปล่อยให้ร่างกายนั่งเฉยเฉได้ที่มันจะขยับก็แสดงว่ามันไม่สงบแล้วเกิดความอยากที่จะลุกแล้วมันก็เลยต้องขยับ เพรามันไม่สงบเา主要啊不不不是不是身是心如果心定下来你身就呃一坐下 不, 不动就你想动就是因为心心已经不静 <嗯 S 2> 才你才才เวลานั่งอย่าไปกำหนดเวลาถ้าเราไม่มีจำเป็นไม่มีเวลาที没没่เราจะต้องไปกำหนด ให้กำหนดที่สติอยู่ที่พุทโธแล้วอยู่ที่ลมไปถ้ามันนิ่งบางทีมันม น, มนั่งได้เป็นชัว่วโมง ถ้有有ันไ่อยู่กับพุทโธแล้ไม่อยู่กับลมเดี๋ยวนั่งห้านาทีมันก็อยากจะลุกแล้วพอมันเริ่มคิดตรงนื้นเรื่องนี้ก็เกิดความอึดอัดใจขึ้นมาแล้วคือสิ่งที่ว่า不在蒲陀或者有有在在正常呼吸呢它就会呃就ุ就就固定下然后就会降落落落落落落落降嗯 嗯, 嗯因为我现在的问题是我坐下来我可以坐的比较久嗯但是呢心呢会常常会跑 คเือต um อนขณะนี้ครับเขาสามารถนั่งน yep, ั่งสมาธิได้นานมากถึงแม้ว่าเขาจะมีความเจ็บปวดหรือว่าความรู้สึกอันตรายขึ้นมาแต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือเขามักจะคือใจมักจะออกไปคิดนอกอ่าก็เดินกลับมาต้องเดินกลับก็มาเดินกลับมาอยู่กับลมไปเรื่อยทุกครั้งมันจะคิดก็เดินกลับมาให้อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุทโธก็ได้ ก็คือต้องควบคุมอย่าให้มันคิดแล้วใจะจะมีความนิ่งแล้วจะเฉ ย, ยจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทางนี้มีใครอยากจะถา ม, มอะไรไหมพูดดังๆหน่อยคอยากทราบว่าผก็เห็นาหารทำในตำนาน ก็ดูเข้าไปในกายนะคะดูการเกิดเหตุของร่างกายแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอปกติค่ะจิตก็ยังมีกา่ะนมากก็แค่ที่จะดูกายค่ะก็ือแต่ว่าช่วงนี้ค่ะ เขาไปดูจิตเองอือเขาเปลี่ยนจากูกายไปดูจิตนะนี้ก็ลอยากจะทราบว่าถ้าแต่จิตอะไนี่นเท่ากั่หนูก็ไม่รู้แล้วนะหจะดูจิตไปเรื่อยๆหนูทำหนูปฏิบัติข้ามขั้นตอนไปการจะดูกายดูจิตได้นี่หนูต้องมีเครื่องมือดูเครื่องมือที่หนูไม่ไม่มีตอนนี้ก็คือสติคือหนูต้องรู้จักอยู่จิต ถ้าหยุดจิตไม่ได้เดี๋ยวเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายจิตมันจะทุกข์ขึ้นมาเราจะหยุดมันไม่ได้ถึงแม้จะดูกายไปดูไปเดี๋ยวเวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจก็ทุกข์ขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาผมงอกขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าดูไปแล้วมันหยุดใจไม่ได้ก็อย่าไปดูให้เสียเวลาต้องมีเครื่องมือหยุดใจให้ได้ก่อน เวลาดูใจดูร่างกายแล้วดูผมหงอกใจทุกข์ก็หยุดความทุกข์นั้นให้ได้ถ้ามีสติ ก, ก็จะหยุดมันได้แล้วถ้ามีปัญญามันก็จะถอนให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายได้เนี่ขั้นต้นก่อนที่จะไปดูร่างกายดูจิตเนี่ยเราต้องสร้างเครื่องมือก่อนสร้างเครื่องมื อ, อที่จะมาหยุดใจเวลาไปเห็นอะไรที่มันทำให้ใจทุกข์เวลาเห็นอะไรทุกข์แล้วมันหยุดได้หรือเปล่า เห็นร่างกายแก่ีห้หยุดความทุกข์ใจได้เปล่าเห็นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันทุกข์ใจเราหยุดมันได้เปล่าเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิไงเห็นก่อนที่จะไปทางปัญญาได้เราต้องมาทางสมาธิก่อนมาทางสติก่อนถ้าไปดูกายตอนนี้รู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมรู้ใช่ไหมถ้ามีปัญญาจริงแล้วมี มันต้องหยุดความทุกข์ได้สิถ้าหยุดความทุกข์ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกําลังไม่มีสติหยุดมันนั้นหนูข้ามขั้นตอนไปส่วนใหญ่เขาจะสอนข้ามขั้นตอนสอนให้ไปดูกายไปดูจิตดูแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ดูแล้วก็ทุกข์ไปกับกายกับจิตที่เราดูกําหรับคนที่เขาให้ดูกายดูจิตได้ก็คือเวลาดูแล้วมันทุกข์เขาก็มีสติหยุดมันได้บอกอ่ะอย่าไปทุกข์กับมัน ทุกไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้มันแก่เจ็บตายเราก็ห้ามมันไม่ได้อันนี้ต้องต้องมีสติก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปดูกายดูจิตได้ต้องสมถะก่อนถึงจะไปวิปัสสนาได้แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนจะข้ามขั้นสมถะกันไปทุกคนเขาหาสมาธิไม่สำคัญไม่จำเป็นไม่ต้องมีไปวิปัสสนาเลย ไปดูกายเลยไปปัญญาเลยไปวิปัสนาเลยไปก็ไปแบบวิปัสสนึกนึกได้นึกว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็นึกว่าทําใจได้เพราะยังไม่ได้เจอของจริงพอไปเจอของจริงเข้าใจทุกขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งนี่จะทุกข์ไมรู้หรือไม่ทุกข์ทำไมทุกข์อ่ะก็รู้ว่ามันต้องรู้ว่ามันต้องต้องตายไม่ใช่หรือรู้ว่ามันต้องเจ็บใช่ไหมแต่ถ้ามีสติมันจะไม่ทุกข์ พราะมันยอมรับว่าต้องตายต้องเจ็บทุกไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสติจะหยุดความทุกข์ได้ปัญญาจะสอนให้ใจ ย, ยอมรับความจริงเท่านั้นเองนี่เราข้ามขั้นตอนไปย้ำไปดูจิตดูกายไปรู้มันอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทําอะไรไม่ได้เวลามันเกิดอะไรขึ้นมาห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้หยุดความทุกข์ใจไม่ได้เพราะไม่มีกําลังหยุด เหมือนขับรถเป็นรู้สีแยกไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวรู้หมดแต่ไม่มีเบรกอ่พอไปถึงสีแยกไฟแดงอ้ามเหยียบเบรกมันไม่หยุดนะใช่ไหมนี่นเราต้องไปติดเบรกก่อนก่อนจะขับรถออกไปตาท้องถนนได้ก่อนจะศึกษากฎจราจรว่าต้องเลี้ยวต้องเจอสีแดงสีเขียวนี่มีความหมายว่าอย่างไงอะสีแดงให้หยุดสีเขียวให้ไปอันนี้คือปัญญาแต่ต้องมีเบรกควบคุมรถ ไม่ใช่ไม่มีเบรกแล้วพอไม่รู้ว่าถึงสิเห็นไฟแดงต้องหยุดอ่ะมันไม่ยอมหยุดอ่ะเนี่ยเราไม่มีเบรกกันเข้าใจไหมถึงเวลาให้หยุดทุกข์ไม่ยอมหยุดทุกข์มันผลิตความทุกข์ขึ้นมากันเพราะมันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันะไม่มีกําลังหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันยันก็ฝึกสติให้จิตนิ่งให้ได้หยุดความคิดให้ได้หยุดความอยากให้ได้ เวลาอยากกินกาแฟก็หยุดได้ถามมากินไปทำไมกินแล้วได้อะไรกินแล้วก็ติดจะต้องกินอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้กินก็ทุกเนี่ยนี่คือปัญญานี่คือปัญญาแต่ตัวที่จะหยุดไม่ใช่ปัญญาที่หยุดตัวที่จะหยุดก็คือสติปัญญาบอกไม่ควรกินแต่กินเลยบอกว่าควรไม่ควรกูก็จะกินใช่ไ้มแต่ถ้ามีสติหยุดมันได้ถ้าปัญญาสั่งให้หยุด สติก็จะหยุดตามปัญญาได้แต่ตอนนี้ปัญญาสั่งให้หยุดแต่ไม่มีสติก็หยุดไม่ได้เหมือนคนขับบอว่าไฟแดงเฮ้ต้องหยุดถึงสียาไฟแดงต้องหยุดแต่อย่าเบรกแล้วมันไม่หยุดเพราะเบรกมันแตกไงใช่หไหมเห็นต้องไปซ่อมไปสร้างเบรกขึ้นมาตอนนี้เราไม่มีเบรกกันเห็นอย่าเพิ่งไปข้ามขั้นตอนพระพุทธเจ้าสอนให้สมถะาาก่อนให้หยุดใจให้ได้ก่อนหยุดความคิดทําใจให้นิ่งก็เหมือนจอดรถไง ใจนี่ก็เหมืนหยุดรถเนี่ยเวลาใจที่กำลังรถวิ่งเขานะงั้นเวลารถวิ่งก็ใช้ให้ใช้ปัญญาว่าอย่าไปชนคันนนต์ชนคันนี้อให้รู้ว่านั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปหามันแล้วต้องใช้เบรกหยุดมันงั้นตอนนี้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูแล้วก็ไม่สามารถหยุดใจได้หยุดความทุกข์ได้หยุดความอยากได้ความอยากเกิดจากพระ ความทุกข์เกิดจากความอยากนั่นเองเพราอยากแล้วมันติดไงมันเลิกยากจะจะเลิกความอยากได้ก็ต้องมีสติหยุดมันทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วความอยากมันก็จะหยุดไปอตอนนี้ดูกายดูจิตก็ข้ามขั้นตอนดูแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จิตโลภ ก, ก็หยุดมันไม่ได้จิตหลงก็หยุดมันไม่ได้จิตโกรธก็หยุดมันไม่ได้ใช่ไหม ก็ไม่มีสติไม่มีเบรกหยุดมันเองแต่มันแค่ตั้นลงแล้วก็เบาลงอ่าใช่ไม่อ่าบางทีมันเบาเพราะว่าเรื่องมันไม่ใหญ่ต้องไปเจอเรื่องใหญ่ๆมันไม่เบาแร้วใครมาแย่งแฟนไปนี่มันไม่เบาเลยอการเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เบาได้แต่ถ้าไปเจอไอ้เรื่องที่เราลักเราหวงนี่มันมันมันมันมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา เมื่อวานนี้มีคนเลามีคนส่งคําถามเข้ามาว่าอาตั้งแต่เสียแฟนไปนี่โอ้โหทุกข์เหลือเกอินทำไมหยุดนั่นไม่ได้ก็เพียงแต่แพนไปเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่ทำไมเราต้องไปทุกข์กับเขาแต่ใจมันหยุดความอยากไม่ได้อยากให้เขาอยู่ต่อไปอยากให้เขาให้ความสุขกับเราเหมือนเดิมไม่ได้มันก็เลยทุก ข, อขอ์เพราะเขาก็ขอขอรู้ว่าแฟนไม่เที่ยงอยู่กันแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกัน แล้วพอจากกันแล้วทําไมทํำไมต้องไปทุกข์ด้วยเพราะหยุดความอยากไม่ได้เพราะไม่มีเบรกหยุดความอยากเรา ง, างั้นดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมีสติต้องหยุดความอยากได้แล้วมันจะไม่ทุกข์กับอะไรอ่าทางบ้านเมืเดี๋ยวจะทางบ้านส่งกันมาหลายคําถาม น, นะคําถามจากคุณรัตนาศาักดิ์ การท่องพุโทโธของท่านอาจารย์ทําแบบท่องทีๆไปเรื่อยๆหรือว่าท่องพุทลมเข้าโทโธลมออกแล้วท่องแบบไหนจึงจะสงบเร็วได้ครับอ๋อคือแล้วแต่เราอยู่ในท่าไหนไงถ้าเราไม่ได้นั่งนี้เราไม่ต้องไม่ต้องใช้ลมเราก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแทนที่จะอาบน้ําไปแล้วก็คิดถึงแฟนคิดถึงงานคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าปล่อยให้มันคิดเท่านั้นเอง าการให้ใจมันอยู่ปัจจุบันอยู่กับร่างกายไม่ให้มันคิดอะไรให้มันว่างให้มันรู้เฉยๆไม่ให้มันคิดก็ลองใช้พุทเวลามันคิดก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันให้มันอยู่กับการอาบน้ําอยู่กับการแปรงฟันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่างเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติแล้วพอเวลาเรานั่งเราก็นั่งหลับตาเราจะใช้พุโทโธควบคู่ไปกับลมก็ได้เช่นเราดูลม ลมหายใจเข้าเราก็ว่าพุทธลมหายใจออกเราก็ว่าโทรหรือเราไม่ต้องใช้คู่กันก็ได้ใช้พุทธโทอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็พุทธโทพุทธโทไปอย่าให้มันคิดอะไรหรือเราจะไม่ใช้พุทธโทจะใช้ลมอย่างเดียวก็ได้นั่งไปแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอันนี้ก็จะทาให้ใจเราไม่คิดไม่คิดแล้วมันก็จะนิ่งนิ่งแล้วมันก็จะสงบมีความสุขมีอุเบกขาขึ้นมา คาถามจากคุณแมวหากบุญมากกว่าบาปจะได้ไปสวรรค์หากบาปมากกว่าจะได้ไปนรกแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้ดวงวิญ ญ, ญาณติดอยู่กับสถานที่ต่างๆเช่นบนถนนที่เสียชีวิตหรือบ้านเรือนที่รักหรูห่วงค้าฟ้าจายอ๋อมันอันนี้เป็นกรณีพิเศษเวลารักอะไรมากๆห่วงอะไรมากๆมันก็จะดึงจิตไว้ช่วกขาดทั้นั้น ยังได้แค่ไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็กําลังสู้กําลังบุญกําลังบาไม่ได้มันก็จะถูกดึงไปอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกอุปทานความยึดติดกับสิ่งใดมากๆมันก็มีพลังที่จะดึงจิตไว้อยู่กับสิ่งนั้นชั่วข่าวแต่แ้วเดี๋ยวมันก็จะต้องไปตามอํานาจของบุญของบา จะเล่นหุ้นดีสิไหมคะก็เล่นได้สองแบบไงเล่นแบบการพนันหรือเล่นแบบการลงทุนถ้าเล่นแบบลงทุนก็เหมือนก็ไม่เป็นไม่บาปไม่ไม่เสียหายถ้าเล่นแบบการพนันซื้อเช้าขายเย็นเนี่ยเหมือนกับแทงหวยเกงกําไรเจงว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นพอซื้อตอนเช้าพอเย็นพอบ่ายขึ้นก็ขายอย่างนี้แต่ถ้าเย็นกลับไม่ไม่ขึ้นกลับตกก็ก็ปวดหัวขึ้นมาก็ขาดทุนก็เหมือนกับเล่นการพนัน เคาถามจากคุณเครือวันค่ะอยากทราบอานิสง์ของการสร้างพระพุทธรูปไว้กับวัดเพื่อให้ทุกคนได้กราบไหว้มีอานิสงค์อย่างไรคะกเ็เราเลาเลิกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองเราจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่ของพวกเราเป็นที่พึ่งของเราเห็นพระพุทธเจ้าเราจะทําให้เรานึกถึงประวัติของท่านนึกถึงคําสอนของท่านแล้วเราจะได้ศึกษา เราจะได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้รับผลจากการที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเนี่ยนี่คือประโยชน์ของพระพุทธรูปพระพุทธรูปไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆเนี่ยขโมยยังมาตัดเสียนพระไปขายได้เลยพระพุทธรูปยังป้องกันตัวเองไม่ได้เลยแล้วท่านจะมาป้องกันพวกเราได้อย่างไรไมคามถามจากคุณลงุง หนูเคยฝึกสติปฐาน4ี่มาคือถ้าเดินจงกรมให้จิตรู้อยู่ที่กายถ้านั่งสมาธิให้จิตรู้ตามอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือกายเ<ม>วทนาจิตทำแต่พอมาฟังหลวงพอบอกว่าให้นั่งสมาธิให้อยู่ในสมาธิไม่ตั้งพิจารณาอะไรให้เข้าออกสมาธิให้ชํานาญก่อนอแบบนี้หนูควรจะปฏิบัติแบบไหนครับเราจะต้องทําไปเองจนกว่าเราจะรู้ว่าเราถูกกับจริตแบบไหนใช่หรือเปล่าคะ อ, อ๋ไม่หบางอย่างมันไม่ใช่จริตมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติข้ามไม่ได้ก่อนที่จะไปดูจิตดูกายดูเวทกายเวทนาจิตทําได้พรุทธเจ้าบอกให้ไปนั่งอาณาปนาสติก่อนไปอ่านสติปัฏฐานสูตรดูเริ่มต้นท่านบอกให้ไปนั่งนั่งสมาธิก่อนทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วค่อยมาดูกายดูเวทนาดูจิตต่อไปอีกทีหนึน่งคำถามจากคุณชวน เมื่อวัดกับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องนิวรณ์ห้าพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้เข้าใจแล้วค่ะแต่วันนี้อยากถามวิธีรับมือกับนิวรณ์ห้ามีวิธีอย่างไรที่จะรับมือกับนิวรณ์ห้าถึงจะสยบนิวรณ์ได้ครับอ่าก็อย่างที่บอกนีถ้าอยากจะสู้กับกามฉันทาก็ต้องรักษาศีลแปดอ่ต้องไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายห้ามก็จะสู้กับกาแมฉันธาได้ถ้ามีศีลแปดก็จะสู้กับมันได้ ถ้าไม่มีสินแปดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวกันแล้วไปเข้าบาร์เข้าผับกันะงั้นนี่คือต่อสู้กับคามฉันทะต่อสู้กับความโกรธก็หัดแผ่เมตตาหัดให้อภัยเวลาใครเขาทาอะไรให้เราไม่พอใจก็สาธุสาธุไม่เป็นไรให้อภัยกันแล้วเราต่อไปเราจะไม่โกรธใครง่ายๆวิธีที่จะไม่โกรธเลยก็คืออย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เขาทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ ถ้าอยากแล้วเขาไม่ทําเราก็จะโกรธเขาะสั่งกว๋วยเตี๋ยวมาเด็กมันเอาเข้าผัดมาให้กินเดี๋ยวก็โกรธเด็กอะพราะเราอยากกินกว๋วยเตี๋ยวมันเอาเข้าผัดมาให้แต่ถ้าบอกข้าวผัดก็ได้กว๋วยเตี๋ยก็ได้วะสั่งมาแล้วมันเอาอะไรมาให้ก็กินอย่างนี้นเราก็จะไม่โกรธมันอันนี้ก็คือการฝึกส่วนความง่วงนอนก็หัดกินน้อยๆอย่อยา ก, กินมากกินมื้อเดียวหัดกินมื้อเดียวดูไม่ตายรับประกันได้ แล้วกินเมื่อเดียวมาตั้งแต่วันบวชแล้วเนี่ยสี่สิบปีไม่ตายหรอกกลับได้หุ่นด้วยไม่อ้วนกินมากๆเราอ้วนแล้วโรคภัยก็เยอะไขมันแล้วก็อุดตันความดันก็ขึ้นเบาหวานก็ขึ้นนี่คือวิธีรับกับนิวรนต่างๆคําถามจากคุณวชลรพง์ค่ะ หลังจากฝึกนั่งสมาธิแล้วกลายเป็นคนไม่ค่อยพูดอยากอยู่คนเดียวนิ่ยๆผิดปกติหรือต่อครับไม่ปกติละไม่ผิดละมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่สงบสงบแล้วมันก็ไม่รู้จะพูดท้าอะไรคนที่พูดเพราะมันไม่สงบมันหิวมันอยากจะหาเรื่องหาความสุขมันก็หาเรื่องพูดแต่ทานที่จะไปเจอความสุขกับไปเจอความทุกข์ยิ่งพูดมากคนก็ยิ่งลำคาญคนก็ยิ่งเบือ่อเรา อย่านียไปพูดกับใครเนี่ยดีแล้วแต่คนที่มีสมาธิก็ไม่ใช่เป็นคนบ้ายถึงเวลาต้องพูดก็พูดแต่ถ้าไม่มีเหตุผลจะพูดก็ไม่พูดเท่านั้นเองคำถามจากคุณสรานจิตนะคะ เราถ้าเราฟังแต่ทำมะทำบุญใสบาตรเข้าวัดตามการแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมคะก็ยากนะเพราะว่าดวงตาเห็นธรรมนี้จะต้องเกิดจากการภาวนาการปฏิบัติเพราะศีลกับการทําทานนี้มันไม่มีกําลังที่จะทําให้ตาเราสว่างขึ้นมาได้ต้องใช้การภาวนาต้องการต้องปฏิบัติธรรมหมดได้ยังเอาอีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกัน คำถามจากคุณจีน่าหนูนั่งสมาธิโดยการเพ่งเข้าไปที่ลิ้นปีกไม่บริกรรมพุทโธแล้วมีความร้อนเกิดขึ้นที่กายตลอดการนั่งสมาธิกาเรียนถามว่าถ้าเราต้องการจะทําความร้อนให้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน mm. เช่นตอนกลางวันทํางานไปกายก็ยังเกิดความร้อนความอุ่นอยู่ควรปฏิบัติอย่างไรเจคะกการนั่งสมาธินี้ไม่ได้นั่งเพื่อให้กายร้อนนั่งเพื่อให้ใจยเย็นใจสงบ